จากใจผู้จัด ร, รมข้าพเจ้าขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์พรมวังโสและคุณศีวราอิสระ ที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าทำซีดีนี้และขออนุโมทนาบุคคลต่างๆที่มีส่วนร่วมให้ซีดีชุดนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีพระอาจารย์กรินิมโล วัดหนองโบดจังหวัดระยองผู้ให้เสียงอ่านให้คำแนะนำและตรวจต้นฉบับตั้งแต่ต้นจนจบคุณวรารพรวงพัฒนาศิลป์และคุณบุญศรีชินพิลาศ ช, ช่วยในการตรวจทานให้ตรงตาม ต, ามต้นฉบับ คุณวีระยานานท์ศรีชินพง์ส่งเพลงมาร่วมคุณจารุณีอัศวาการเอื้อเฟื้อยานพาหนะในการเดินทางไปจังหวัดระยองเพื่อตรวจทานต้นฉบับตลอดแดเดือนในการจัดรรม บุญกุศล น, นี้ขอกราบน้อมถวายแด่ครูอาจารย์บิดามารดาผู้มีพระคุณและแด่ ญ, ญาติมิตรตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณจากคณะผู้จัดธรรมกลุ่มเพื่อนอนารยา